มานาคมากี่คนกี่ท่านที่จะมาบวชหลวงพ่อจะนับวันที่18ถ้ทาเลย่านั้นไปไปว่าผิดสัญญ า, าผิดสัญญาที่เราให้ไว้ท า, ามาอีกเราก็คงจะไม่รับเป็นเชต่จจำเป็นจริงมีเหตุผลแล้วก็พร้อมที่จะท่องเอาสาหังได้คล่องเหมือนกับโม่ เ, าเราจรึงจะรับถ้าไม่ท่องไม่ได้ไม่รับ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 อยู่ในกลุ่มของพระประเจกพอท่านออกจากนี้รถธรรมบัตแล้วท่านก็เอมใครน้อยจะทำบุญกับเราท่านก็สายเลดาดูเออทุกกะตะนี้คงจะทำบุญกับเราเขามีน้ำใจแต่เขาทุกจนแต่เขามีน้ำใจออจากนั้นท่านก็เออหาะมาจากทางนู้นเลยเออพอมาแล้วก็ลงห่างห่างแล้วก็เดินมาแบบธรรมดานะ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 คือพอเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็แม่บ้านก็กินของแม่บ้านส่วนของพ่อบ้านก็ใส่ถ้วยไว้แล้วก็เตรียมรอให้พ่อบ้านกลับมาตอนนี้พ่อบ้านมาเธอเนาะเอาบ้านเอาอาหารมาให้ผมแม่บ้านก็เอาอาหารมาให้พอมาให้แล้วก็ใส่บาตพระประเจกพุทธเจา้าพระประเจกพุทธเจา้าต้องเอาสักครึ่งหนึ่งก็พอละ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 เทวดาอนุมโมธนาสาธุทําไมไม่สาธุกับข้าพเจ้าเนี่ยนะี่แหละเศรษฐีทวงเอว่าเทวดาเห็นแก่พักแก่พวกเอทําไมข้าพเจ้าทําบุญทุกวันทำไมไม่อนุมโมธนาทําไมไม่เป่งเสียงอย่างนี้เทวดาป่าอูการทําบุญในคราวนี้เนี่ยเออมันพร้อมทุกอย่างพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าก็ออกจากนิโรธสมาบัติหาได้ยาก แล้วกับทุกขตาเนี่ยก็อาหารของเขาก็เป็นอาหารที่บริสุทธิ์เอที่เขาจะเลี้ยงตัวของเขาเองแต่เขาเสียสละถ้าเขาไม่ได้กินเขาคงจะหิวอย่างมากกว่านี้เพราะฉะนั้นาการที่จะมีศรัทธาอย่างนี้อย่างเขาทํานยหาได้ยากเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายจึงอนุโมทนาสาธุนะอพอโคูรนั้นเทวดาก็หายเงียบไปเอเศรษฐีก็ เราควรจะเอาเงินไปซื้อบุญจากไอ้ทุกขะนี่วะจากนั้นก็นลงไปเลยทลงไปก็พูดนั่นพูดนี่เสร็จแล้วก็เอ้ยทุกขะทำบุญอะไรบ้างวันนี้โห้ยผมทำบุญกับพระประเจกแล้วหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอิ่มเออเอออิ่มในจิตในใจนะมีความสุขมากเอทุกขะบุญที่ท่านท่านทำในวันนี้ผมขอซื้อได้ไหม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 กับผมจะสมควรจะแบ่งให้เขาได้ไหมหรือว่าไม่ไม่ควรแบ่งถือว่าพระปเจกเป็นเจ้าของบุญใช่ไหมล่ะทุกขตาไปขอบุญพระปเจกบอกว่าทุกขตาถ้าเขามาแบ่งบุญเ ร, เราก็ให้เขาได้เหมือนกับเธอนะัอ่นมีไฟมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเเมื่อนเธอทำบุญบเหมือนกับมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งแต่คนอื่นเข้ามา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 มีแปดจีบปวดเป็นพื้นอยู่แล้วแบ่งทั้งหมดแบ่งคนละครึ่งกันเลยเทุกกตะคนนั้นก็นเลยได้เป็นเศรษฐีเป็นเพื่อนกันในชาตินั้นเออพอต่อมาจะไหนออกจากชาตินั้นก็นขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้ า, ฟาะอะไรจะไหนจากนั้นก็นเวียนไหวตายเกิดสูงๆุ่งตำตำลุ่มลุ่มรอนรอน เ, อเศรษฐีเนี่ ก, เก็เกิดตายเกิดตายเหมือนกันอนุรุธธาเนี่ยก็เกิดตายแต่พระอนุรุธธาเนี่ยโดยมากจะเป็น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 เป็นพระรหานอายุยี่สิบกว่าแล้นะครับครบบวดแล้วบวช เ, เราควรจะไปโปรดเพื่อนของเรา เ, เสียวของเราว่างันอ่ะแต่ได้ท่านอ น, อนุรุทธากัดเหาะไปเลยเไปเหาะไปแลวกัเข้าใกล้ในหมู่บ้านเก็เดินเข้าไปพอไปเห็นพ่พอของ เ, อเด็กที่ไปเกิดใหม่สุมานณะสุมณนะ เ, เด็กเด็กชายสุมานณะ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 ท่านก็ยังไปให้ความสำคัญแก่สมณะสัมาเน็ที่ไปเกิดกับลูกนายบ้านอยู่ตีนเขาไฟไหมป่าไฟไหม้นีน่นนะท่านก็จะให้ความสำคัญเพราะนั้นเราจะไปถือเป็นอย่างอื่นเป็นมืเป็นมิ ด, เ ป, มดเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพักเป็นพวกอย่างหลวงพ่อเหมือนกันถึงพี่น้องลูกหลานจะมาในตระกูลไหนก็ตามหลวงถพ่อก็ถือว่า เ, ออเป็นญาติธรรมของหลวงพ่อ